ไ ม, ม่หนาวแย่แล้วมันหนาวเข่ากรุงเทพเอสมพง์มาก่อนว่าไงเมื่อวานก็ม า, มาเห็น ม, มาบ่อยอันนี้ <c oughs> ว่างเหรอดีล้ร้อนไว้แล้วก็มืดเออดีแล้ ว, ลวไม่สัไปใสมาวัดสบายะไม่สฉกันบ้านามไม่เมย์ามาไม่หลข้ามาอือ เป็นไงล่ะภาวนาเป็นเงนมั้งปบาวทุกวัน ด, ด, ดีแก้ไขได้เองแล้วเหมือที่ให้การใชดูไปเรืเร่อยๆ <า S 1> เคยรู้ทันความปรุงแต่งใจเราจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรารู้ทันความปรุงแต่งเรารู้ทันไปถึงจุดหนึ่งมันหมดความปรุงแต่งไปพใจมันพ้นความปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งไปเห็นนิพพานได้เห็นเองนะ อยไม่ต้องไปดิ้นรนหานิ r v า n a ใหเราคอยรู้ความทรงจำรู้กายรู้ใจไปเขาปลูกอะไรเกาคอยรู้ไม่ต้องไปช่วยเขาปลูกจริงๆร้อง่ายง่ายมันง่ายง่ายนะทําไปถึงจุดหนึ่งร้อง่ายจาคอยสังเกตใจเราใจเราชอบหนีิปคิดใจที่หนีไปบ่อยที่สุดก็คือหนีิปคิดหนีมากที่สุดหนีไปคิด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 เป็นไหลไเต๋อไปนิดค่อยๆรู้ไปเนี่ยเราส่งใจไปทำงานแล้วนะแคนนี้เราก็ส่งใจไปทำงานละส่งส่งไปดูส่งไปอะไรคือเราไม่คิดว่าต้องไปดูโน่นอันนี้แล้วเรียกว่าทำงานควาแค่เราส่งไปเที่ยวจะไปดูว่าจะดูอะไรก็ทำงานเสร็จแล้วส่งออกแล้วเดี๋ยเราค่อยๆรู้ไปรู้ไปเท่าที่รู้ได้ไม่รีบร้อน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 ทำไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก็ไดนะ้หรือคิดก็ได้ใช้ความคิดนะคิดว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นของว่างเปล่าอะไรเงี้ยการคิดนัแหละเป็นการทราําสมถะไม่อยากเท่งนะไม่เท่งสิใช้คิดเอานะใช้คิดเอาไปคิดเรื่องร่างกายของเรานะตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมมีแต่ของสกปรปกอะไรเงี้ย มีปฏิกูลไม่อาบน้ําไม่สระผมประเดี๋ยวเดียวก็เหม็นอะไรเงี้ยนอ้คิดเด็งที่เป็นสมถะคือถ้าเรากลัวการเพ่งเราก็ใช้การคิดเอาสมถะทําได้หลายอย่างเพ่งเอาก็ได้คิดเอาก็ได้แต่วิปัสสนาทาได้อันเดียวต้องรู้เอารู้กายรู้ใจรู้อย่างอื่นก็ไม่ได้จะรู้เรื่องที่คิดก็ไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจ วิวออปัปสนาจริงๆ จ, ง, จงใจทำไม่ได้นะทำยากกว่าเดิมเยอะเลอืมไม่ต้องทำไง <c oughs> ไม่ได้บอกให้เม่แม่เม์เป็นน้างสมาธินะถ้าแม่เม่ต้องการให้จิตใจได้พักผ่อนนะใช้คิดที่เรณาร่างกายเอาที่ารณาชีวิตเราก็ได้ทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วผ่านไปหมดเลย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 แม่เมยใจลอยแล้วทราบไหมไม่เมยคอยดูไปแค่นี้แหละใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้ไปหนีไปแล้วทราบไหมถล่มไปละแค่รู้เท่านั้นนะรู้ไปเรื่อยรู้สบายๆที่เป็นไงดีแล้วดูไปนาะน เดินไปอ่ะมาการสมพงข้าไงโยใช่สิ่งต้องมีเวลาให้ตัวเองใช่สิ่งต้องมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆไหนอเรียนรู้ตัวเองก็ต้องให้เวลากับตัวเองเยเรียนรู้โลกข้างนอกก็ให้เวลากับโลกข้างนอกเรียนรู้ตัวเองเยอะๆการเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกกรรมฐานทั้งหมดเลยนะ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 เราจะวิเศษว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ พ, พุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเองพอ ร, รู้กายรู้ใจเห็นทุกข์แก่มแจ้งรู้ว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัณหามันจะดับคือความทยานอยากของจิตที่จะเนื่องในกายเนื่องใ น, ในใจก็ดับไปพอตัณหาดับเนี่ยสุญญาตาหรือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเองอัตโนมัติ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 แล้วบอกบรรลุพระอรหันต์กันเยอะแยะเลยต้องจิตให้เริ่มเล่นแล้ ว, วให้สว่างแล้วอนให้ดเรที่สุดใช่จริงจริองอเยอะขึ้นมาได้ยินอ เ, เอเอเยอะเยอะมากเลยแล้วมานั่งแก้กันเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> พวกพระอรหันต์นะพระอรหันต์สักพักหนึ่งเรา่า ก, กิเลสยัวเยอะขึ้นมาอีกละมาั้องมางเริ่มต้นใหม่พูะพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ไปสอนให้รู้สุนญยตามันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้า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 มีแต่คนดูกายตอนหลังๆนี้หลวงปู่ดูลนี้ใครๆก็รู้จักเขาอ้างหลวงปู่ดูลนกันใหญ่อ้างคําสอนของท่านไปเอาถ้อยคําของท่านมาไม่รู้ว่าถ้อยคํานั้นอยู่ในบริบทอะไรเี่ยละทิ้งตรงนี้ไปอ้างมาเป็นท่อนๆๆแล้วม า, มาอ้างตีความาตีความแล้วมันขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องรู้ทุกนะถ้ารู้ทุกแกมแจ้งสมุทัยเป็นอันละไปเอง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 ปัดรูปทิ้งไปหมดก็เหลือแต่ขันสีเหลือแต่นาำมาขันบางคนปัดนามทิ้งวิธีปัดน้ำทิ้งก็คือจะทําอสัญญีอสัญญาสัตตาภูมิอย่างกำหนดแต่รูปลูกเดียวเลยทิ้งน้ำลืมไปว่าวิปัสสนาต้องเริ่มจากการแยกรูปแยกนามนะรูปอย่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เป็นรูปใจที่ไปรู้เป็นนาม แยกรูปแยกนามมีบางคนทิ้งทิ้งนามเลยจะเอาแต่รูปเพ่งอย่างขยับมือจะหยิบจะจับลูกบิดประตูเนี่ยนิ้วแต่ละนิ้วนะ่าจะดิ้กคลิกคลิค ล, ล, ลนะเห็นหมดเลยจิตมันจ้องแต่รูปอย่างเดียวทิ้งนามไปเลยนะการเพ่งรูปสุดขีดเนี่ยมันจะได้รูปประชานนะรูปประชานที่สนีะ่จิตนิ่งเลยจิตหมดความรู้สึกเสร็จแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบนามนะมนะดับนามลงไป จะเข้าอาศัยยีตัวแข็งเลยตัวแข็งหมดความรู้สึกทางเบี่ยงเบนที่มีมากมายนะยังต้องจับหลักคําสอนพระเจ้าให้ดีท่านบอกให้รู้ทุกให้รู้รูปรู้นามถ้ารู้รูปถูกต้องก็จะรู้นามถ้ารู้นามถูกต้องก็รู้รูปรูปกับนามเหมือนเหรียญคนละด้านด้านเหรียญเดียวกันแต่คนละด้านหยิบด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งต้องติดไปด้วยเราไม่ทิ้งอันหนึ่ง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 คนก็กำหนดจิตให้ไปอยู่ในสภาวะอันแดนหนึ่งสภาวะตันหาบางคนก็หนีจากสภาวะทั้งหลายวิภาวะตันหาศาสตร์ใดที่ยังมีการกระทำอยู่ศาสตรนั้นไม่หมดความปรุงแต่งศาสตร์ใดไม่หมดความปรุงแต่งสุญญาตาหรือนิพานไม่ปรากฏหรอกนั้นรู้กายรู้ใจไปนะรู้ไปตามธรรมดาตามธรรมชาติครูเจ้าสอนง่ายๆไม่ได้สอนอะไรลึกรับ อย่างการรู้กายนี่ท่านสอนง่ายๆพิกสูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดอย่างเงี้ยเหลยวซ้ายแล ก, กวขวาก้าวไปถอยหลังง่ายๆแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมเป็นวัต ถ, ถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปใจเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือเวลาดูจิตดูใจนะท่านก็ไม่ได้สอนมากมายอะไรสอนง่ายๆ จิตมีราคารู้ว่ามีราคาไม่มีราคารือว่าไม่มีราคาอะไรมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะหรือว่าไม่มีโทสะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่มีโมหะหรือว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหูมีแปดตัวสี่คู่อีกสี่คู่เป็นของคนทําฌานเราไม่ต้องเล่นไม่มีจะเล่นเป็นจิตเป็นมหคตะไม่เป็นมหคตะอะไรย่างเงี้ยเราไม่มีอะ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 พูอย่างนี้เรายุ่มเอาพูดง่ายๆก็แล้วกันแล้วสมมติว่ากายคือรูปก็แล้วกันรูปมียี่สิบแปดรูปนีแต่เรียนเนี่ยเรียนรูปเดียวเรียนรูปเดียวเรียกว่าวิญยัตติรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งรูปที่เคลื่อนไหวอย่างการหายใจเข้าหายใจออกนะก็เห็นว่ามันเป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้การรู้อิริยาบทสี่ก็เห็นเป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้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 ถ้ารู้ว่ารูปยืนอันเดียวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะรูปทั้งหมดไม่ใช่เราถ้ารู้ว่ารูปนั่งอันเดียวนี้ไม่ใช่เรานะรูปนั่งรูปทั้งหมดไม่ใช่เราันั้นจริงๆการเรียนาศาสนาพุทไม่ได้เรียนเยอะแต่ทำไมคำสอนมีเยอะคำสอนมีเยอะเพราะคนมันเยอะจลิตนิสัยคนต่างๆกันจริงๆแล้วง่ายๆไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะแต่เรื่องธรรมดาธรรมดามีแต่รู้ให้ถูกรู้ให้เป็นส่วนมากรู้ไม่เป็น รู้ไม่เป็นก็คือก่อนจะรู้นะี่อยากรูนะ้ระหว่างรู้ก็ถล่ลงไปรูนะ้รู้แล้วก็เข้าไปแทรกแซยนะรู้ไม่เป็นก่อนจะรู้อยากรู้เช่นอยากจะปฏิบัติอยากจะปฏิบัติก็เลยไปจ้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูซิร่างกายนี้นั่งนานๆนนมันจะเมื่อยเียนะจ้องมันซุเมื่อไหร่มันจะเมื่อยเมื่อแล้วมันอยากเปลี่ยนหรืออยากหมดนะนะไจ้องไว้ก่อน หรดูจิตดูจิตก็ผิดอย่างเดียวกับเขานั่นแหละนะอย่านึกว่านักดูจิตดีกว่านักดูกายนะเหมือนเหมือนกันแหละไปจ้องจิตไว้ก่อนเช่นเอาละต่อไปนี้ถึงเวลาปฏิบัติจ้องอไหนเมื่อะไหร่จิตจะเปลี่ยนแปลงให้ดูจ้องจ้องไว้ก็ทื่ทททอๆอยู่นั่นเองไปดักไว้ก่อ น, ด, อนดักไว้ก่อนไม่ได้ต้องตามรู้เมื่อก่อนจะรู้อย่าไปอยากรู้อย่าไปดักไว้ก่อนคิดสภาวะทําปรากฏแล้วก็ค่อยรู้เอา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 แต่เป็นจิตเสือไปอีกนะเขาบอกว่าทําไมเขาปฏิบัติแล้วเขาขาดเป็นท่อนๆย อ, อีกคนนึงก็ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกายแต่ละสเต็ปนะแต่ละช็อตเนหะมือนแต่ละช็อตแต่ละช็อ ต, ต, อตขาดออกจากกันนะบอกนั่นเนื้อสติปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นแล้วมันเริ่มมีปรัสนาจริงๆแล้วแต่พวกเราไม่ต้องกังวล น, นะว่าเมื่อไหร่ขาดนะเพราะนั้นะสันติคือความสืบเนื่องมันขาดละ มีปัชนาจริงๆมันจะเริ่มตรงที่เราเห็นสันติขาดเห็นความสืบเนื่องของกายของใจที่ขาดเห็นจิตที่เผลอก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็อันนึงขาดออกจากกันเยจิตหนีไปจิตแต่ถ้าขาดแล้วแบบสติปัญญาวัยแล้วจะเห็นว่ามันขาดแล้วมันมีช่องว่างเล็กๆนิดเดียวมาคั่นเนี่ยคั่นต้องคนละอันกันอย่างเด่นชัดอย่า้เลยไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดียว